การเดินธุดงเนาะหรือว่าเดินอดิษธรรมของพวกเราก็เข้ามาสู่เขตจังหวัดเลยนะอยู่ริมพุทยาในชาติปูกระดึงก็เดินทางมาหลายวันนะอยู่ด้วยกันมาหลายวันนะก็คงค่อยๆเรียนรู้ศึกษาพึนะ่งกันและกันไปด้วยนะอีกส่วนหนึ่งนะ เราศึกษาตัวของเราเองนี่คือกิจศักด์ที่เราต้องศึกษาศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องใจศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงถึงการเป็นไปของกายและใจของเรานี่แหละคือตรงนี้แหละที่หน้าที่หลักในการศึกษาในการเดินทางนะในการปฏิบัติของเราคือตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องศึกษาหรือว่าเรียนรู้กันในกลุ่มของเราด้วยนะรู้จักอ่นะ หรือจักนิสัยใจคอซึ่งกันและกั น, นไม่ถือโทษโกดเคืองกันหรือว่าอยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีช่วยกันช่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปอันนี้เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ในการปรับตัวปรับใจให้เข้ากันให้ได้เพราะการเดินทางด้วยกันนานๆหรือว่าอยู่ใกล้กันมากๆบางทีมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่าการโกดเคือง ใจกันหรือว่าขัดใจกันเราก็ต้องรู้จักนะรู้จักดูใจของตัวเองด้วยนะไม่ใช่จะเอาลมของตัวเองเป็นเป็นใหญ่แล้วก็มาโกรธมาเคืองอะไรกันด้วยเรื่องเล็ก น, น้อยอะไรกันเนาะอันนี้เราก็ต้องดูตัวเองแล้วก็รู้จักนะรู้จักในการปรับตัวปรับใจไม่ใช่ว่าพวกเราจะเป็นกันกนะนะแต่ก็บอกหรือว่าเตือนกันไว้นะในการที่จะอยู่ร่วมกันอีกอีกหลายวัน อีส่วนหนึ่งเราก็ต้องศึกษาในการเรียนรู้จากาที่ที่เราไปพักที่อาศัยด้วยนะนอกจากดูตัวเองหรือว่าเรียนรู้กับหมู่กับกลุ่มที่พวกเราเดินทางด้วยกันอีอย่างหนึ่งที่สำคัญเราต้องเรียนรู้ในการดูในสถานที่ที่เราไปอาศัยเช่นส่วนใหญ่เราไปพักอาศัยในในวัดป่าในสายวัดป่าซึ่งส่วนใหญ่ก็คือในสายของ ธรรมยุทธนะ์บางทีพวกเราซึ่งบวชในมหานิกายเองก็ดีเราอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อวัดในแบบที่เป็นความเข่งคัดตามพระธรรมวินัยดีๆบางทีเราไปพักไปอาศัยด้วยบางทีหมู่ที่เป็นธรรมยุทธ์ท่านอาจจะเกิดความเรียกว่าติเตียนหรือว่าตังเกียดหมู่พวกเราได้ถ้าพวกเราไม่เรียกว่า ไม่ทําตัวหรือว่าให้รักษามารยาทให้เข้ากับหมู่เขาให้ได้เพราะบางทีเราจะเอาความเคยชินที่เราเคยอยู่วัดเราทําแบบนี้ได้นะหรือว่าเราเคยไปเที่ยวที่อื่นแล้วทําแบบนี้ได้ทํามาใช้ในสถานที่ที่เขาเขึ้นครัดนะบางทีมันไม่ได้นะเราต้องเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้นะเปิดหูเปิดตาแล้วก็คล้องแค่วงใบในการ ศึกษาดูว่าเขาทําอย่างไรนะศึกษาดูข้อคอวัดปฏิบัติของเขาทําอย่างไร mm. ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้อยู่แล้วแหละตั้งแต่เรื่องของอาขันตุกะวัดนะพวกเราเป็นอาขันตุกะวัดนะจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือเป็นโยมก็ดีเป็นอาขันตุกะซึ่งไปอาศัยในวัดอื่นก็ต้องถามอันไหนไม่รู้ก็ต้องถามอันไหนไม่แน่ใจก็ต้องถามอะไร หรือบางสิ่งบางอย่างก็ต้องบอกท่านไปนะท่านก็แบบเป็นผู้ที่อยู่อยู่วัดท่านก็มีหน้าที่ในการต้องบอกเสนาธนะต้องบอกน้ําท่าต้องทําการกราบไหว้อะไรต่างๆอันนี้คือมันเป็นวัดที่พระเจ้าท่านท่านก็บอกไว้วัดต่างๆนะวัดที่เป็นต่อเต่ารอเรือนะเป็นวัดคือเป็นข้อวัดนะเป็นข้อวัดที่ใด ต, ต้อง พึงกระทาต่อกันเราต้องฉลาดในการดูนะฉลาดในการฟังฉลาดในการสังเกตนะตัวผมเองก็อาจจะไม่ไรู้ไม่ได้รู้มากนะก็อยากเป็นผู้ที่ต้องศึกษาอยู่เวลาไปในที่ต่างๆก็ต้องคอยคอยดนะูคอยดูเขาทําอย่างไรคอยสังเกตเขาทําอย่างไรแล้วเราก็เอาเออแล้วเราก็เอาใจใส่ในการทําตาม สิ่ที่เขาทำดนะูเราก็จะเข้าใจว่าเออเขาทำแบบนี้เพราะอะไรนะทำแล้วมันดีมันงามแบบไหนหรือทำแล้วมันเป็นความเข่งคัดเกินไปไหมหรือว่าเป็นการตึงเกินไปไหมนะี่เราเราก็ดูเราก็ศึกษาไปนะแต่เราก็เนี่ยเรามาในงี้ในการศึกษาแต่อย่างก็อยากให้พวกเราได้พยายามกระทาให้ได้ด้วยเพราะว่า เพื่อความเข้ากับหมู่ของเขาให้ได้เพื่อการที่เขาไม่ดังเกลียดในการติเดเทียนอะไรต่างๆเราต้องพยายามปรับ ต, ตัวเองให้เข้ากับเขาไม่ใช่จะเอาเขาปรับตัวให้เข้ากับหมู่พวกเรานาะหลายๆอย่างเราต้องเป็นผู้ที่ต้องคล่องแคล่วว่องไวที่จริงตั้งแต่เล็กๆน้อยๆ น, นะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องของการวินธาบากก็ดีนะดูดูว่า เขาสะพายบาทอย่างไรนะดูว่าเขาเดินแบบไหนนะหรือแม้แต่เรื่องของการฉันอาหารก็ดีต้องเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการจัดที่นั่งจัดน้ําจัดท่าจะกระโถนนะอย่าให้เขาต้องมาจัดให้เราตลอดต้องให้เราเป็นผู้จัดให้เขาบ้างนะที่จริงอคันตุกกะหละต้องเป็นผู้จัดอนะคันตุกาะต้าเป็นผู้จัด ไม่รู้ว่ากระโถนหรือ น, น้ำอย่างไหนต้องนขนควายใ ห, ให้เขามาคนควายให้กับเราเนาะเพราะเรามาสร้างภาระให้กับเขาเราต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าแบ่งเบาภาระของท่านคือท่านก็มีภาระแน่นอนแหละเรามาพักอาศัยแต่เราต้องเป็นผู้ที่อย่าให้ท่านมีภาระมากก็เป็นผู้ที่นขนควายาจัดที่จัดเสนาสนะหรือว่าเก็บกวาดเช็ดถูเสนาสนะเนี่ยคือหน้าที่ของพวกเราที่ต้อง ต้องคอยทําเพราะถ้าเราไม่ทํานะมันจะเหมือนเรามาก็สร้างภาระให้กับท่านทั้งเรื่องภาระทางกายทั้งเรื่องภาระทางใจไปแล้วก็ทําให้ไม่เกิดความยินดีบีดาในการที่ท้อนรับพาระที่พวกเรามามาพักอาศัยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นเราต้องตอนที่อยู่ก็ต้องอยู่ให้ทําให้เข้ากับหมู่ให้ได้ทําให้ท่านสบายใจ ตอนที่ไปก็ไปอย่างเรียกว่าไม่ต้องติดค้างขาใจอะไรกันเราก็ไปอย่างผู้ที่เรียกว่าไปดีนะมาอยู่ก็มาอยู่แบบดีๆเนี่ยนะเราก็ต้องสังเกตการจัดน้ำจัดท่ากันที่นั่งหรือว่าต้องคอยดูว่าถึงเวลาไหนท่านจะบินธบารแล้วนะต้องรีบขวายเตรียมให้พร้อมก่อนไม่ใช่ให้ให้เจ้าถิ่นเขารอเราต้อง พร้อมต้องรอเขาหรือแม้แต่เรื่องการนั่งฉันก็ดีเราต้องมารอเขาอย่าให้เขารอเราเพราะว่าบางทีเราเราไม่รู้ว่าเวลานั้นเวลานี้ทำไงเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนคอยสังเกตคอยถามท่านดูอันนี้อันนี้เรื่องอต่างๆอะไรอย่างนะหรือแม้แต่เรื่องฉันก็ดีนะในเรื่องการฉัน การใช้ช้อนการใช้บาทแบบไหนที่ไม่กระทบกระทั่งหมายถึงว่าช้อนกับบาดไม่ขูดกันไม่ขีดกันนะการเตรียมแก้วของเราเองจะเป็นพระก็ดีไม่ขีดก็ดีนะก็ต้องดวงเดยมเตรียมให้พร้อมนะเตรียมให้พร้อมเลยไม่ต้องให้เขาจัดหาให้นะเตรียมให้พร้อมไว้ในที่นั่งที่ชันไปเลยนะเนี่ยเรื่องอะไรต่างเราต้องคอยสังเกตดูนะ เราอาจจะไม่ได้ทำได้ถูกต้องเป๊ะเพราะเราก็อาจจะไม่รู้ชัดเจนแต่เราต้องเตรียมให้ต้องดูแล้วก็ทำให้ทำให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะแล้วกห็หลายอย่างซึ่งบางทีเวลาเราไปอยู่ในสายวัดป่านะท่านก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงทาหรือว่าทาแล้วมันก็ไม่ค่อยดี ที่จริงอย่างพวกเราอาจจะไม่ถือแต่บางทีท่านถือเช่นบางทีเรื่องนมเรื่องโอบันตินเนาะในในสายวัดปาด่าถ้าอยู่ต่ออยู่ด้วยกานบางทีเราจะไปฉันให้กับท่านเห็นมันก็ไม่ได้เพราะว่าท่านก็ถือว่าอันนั้นคืออาหารแต่พวกเราถือว่าเป็นปา น, นะอะไรแบนะี้ยมันก็มันถือคนละแบบจะเอามาถกเถียงกันเอามาเอาเหตุผลกันก็คงไม่ได้ แต่เพื่อทำให้กรซึ่งกันและกันไม่สบายใจก็ก็อย่าไปอะไรอย่าไป อ, อ่อไปเจอไปเจอเเจ อ, อะไรกันมากนับอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วก็ระวังไปหรือแม้แต่เรื่องที่จริงเรื่องการภาคของเขียวเด็ดใบไม้เด็ดอะไรต่างๆซึ่งในในสายวัดป่าเขาก็จะเข่งคัดนะโดยเฉพาะพระเราก็ไม่ควรไป ไปเด็กไปทําแบบนั้นเพราะว่าเขาก็จะตําหนิได้ว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ศึกษาวินัยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามไว้เนี่ยเราก็ต้องต้องดูสิ่งต่างๆหลายๆอย่างที่เรามาในเป็นผู้ที่มาศึกษามาดูมาดูแบบอย่างที่ดีงามอย่างเราสังเกตนะบางทีเรามาอยู่ในสายวัดปาบางทีพระท่านอยู่แค่รูปสองรูป แต่ท่านก็รักษ า, าวัดได้สะอาดเรียบร้อยนะเป็นระเบียบสามารถต้อนรับคนคือมาแล้วก็พร้อมที่อยู่ได้แต่บางทีถ้าเราไปสังเกตไปดูในวัดบ้านบางที่พระอยู่กันต้องว่าหลายรูปแต่ข้าวของอิเลเก็กเค่ะอะไรก็ไม่เป็นระเบียบไม่พร้อมที่จะต้อนรับเราก็เห็น อ, อ, อนุโมทนากับท่านเนาะบางทีท่านอยู่กันแค่รูปสองรูป ท่านดูแลเสนาธนะดูแลวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางและสะอาดเรียบร้อยจะเป็นศาลาก็ดีจะเป็นรานวัดก็ดีท่านก็รักษาไว้ได้ดีนะหรือแม้แต่สังเกตบางรูปแม้จะปวดใหม่ปวดได้แค่พรรษาสองพรรษาแต่ท่านรู้การรเทศะรูวมารยาทในการรับแขกเป็นแบบไหนเน้รู้มารยาทในการรับยมแบบไหนเออเราก็เอามาดูเออบางที พระเราถ้าไม่ไม่ศึกษาไมด่ดูดีบางทีเราก็บางทีอาจจะอยู่กันนานก็จริงแต่บางทีข้อวัดต่างๆเราไม่ไม่รู้มากนะมันก็ขาดตกบกพร่องไปได้ล้วก็เอาตัวอย่างของเขามาศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบตัวเราเองเราทาเรารู้มากไหมเราทำได้มากไหมอะไรต่างๆอย่างต่างๆเนียเราก็เอามาเอามาศึกษามาเรียนรู้ดู แม่ชีหรือโยมก็ก็เหมือนกันก็เรียนรู้ดูว่าบางทีในสายาที่เป็นในสายวัดป่าเนาะเขาก็จะมีความเข้มข้นในหละไรอย่างการเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นะหรือแม้แต่การจะหยิบจะจับของบางอย่างซึ่งก็ต้องระวังของบางอย่างพระท่านรับประเกณฑ์แล้วย่าโยมไปจับไปแต่ต้องอีกไม่ได้ จะเป็นอาหารเป็นน้ำปานะเป็นยาอะไรต่างๆซึ่งพวกเราก็คงจะพอจะรู้กันอยู่นะหรือถ้าต้องการสิ่งใดก็ต้องต้องถามต้องบอกต้องขอกันให้เป็นกิจจะลักษณะนะท่านถึงจะให้ได้นะซึ่งอันนี้ที่จริงเราก็ดูเราก็ศึกษาไว้เพราะว่าที่จริงมันก็ติดตัวเราไปจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะเข้าใจเข้าใจว่าเขาทำแบบไหนทาเพื่ออะไร เราไปอยู่กับเขาเราก็เข้าใจเออที่เราทำด้วยเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราก็มีเรียกว่ามีมีข้อวัดปฏิบัติหรือว่ามีมารยาทยที่เรียบร้อยกดงามมากขึ้นคือที่จริงอย่างผมก็คิดว่าเรื่องของเรื่องของมารยาทยหรือเรื่องของพระวิ น, นัยหรือเป็นเรื่องของศีลหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นเรื่องที่ ทำให้เกิดความเรียบร้อยทำให้เกิดความวดงามและที่สำคัญมันทำให้เกิดความาทำให้เกิดความเจริญด้วยธรรมในส่วนตัวด้วยเพราะว่าอะไรมันเกิดความเรียบง้อยงดงามในหมู่หมู่อยู่ด้วยกันอย่างพาสุขหมู่อยู่ด้วยกันอย่างเรียบร้อยไม่มีข้อที่ขัดแยง้งหรือว่าข้อที่ตำหนิกันจิตใจก็เกิดความ สงบจิตใจก็เกิดความสุขเกิดขึ้นที่จย ร, ร่วมกันอย่างผ่าสุขมันก็จะปล่อยทาให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นจิตมีความสุขมีความเบิกบานก็พร้อมที่จะเบ่งบานในทางปัญญาขึ้นไปด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเราก็เห็นเลยว่าขอ้อวัดปฏิบัติพอเราทำได้ในในทางที่เรียบร้อยงดงามจิตใจของเราเนี่ยแหละมันมีความสุข สุขใจที่ที่เกิดความสำรวมระวังสุขใจที่มีศีลสุขใจที่เรียกว่าเออทำตัวให้สมกับความเป็นสมณะสารูปนะสมกับความเป็นนักบวชสมแก่การที่เขามากราบมาไหว้เอาอาหารมาให้อันเนี้ยเราก็จะเกิดความสุขใจพอใจแล้วก็ยินดีในเพศภาวะที่เราดำรงอยู่เช่ไหมมันก็มันก็ อยที่พระาจ้าท่านบอกเรื่องเรื่องคนนี้เป็นเรื่องที่ท่านไม่ใช่ว่าตัดว่าเป็นข้อห้ามแต่ท่านบอกว่าเป็นข้อที่เราฝึงศึกษาศึกษาดูซิถ้าทําแบบนี้แล้วมันเกิดสิ่งอะไรเกิดขึ้นในทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนภายนอกมันเกิดปฏิยาแบบไหนกับคนอื่นภายในใจของเราเกิดปฏิปฏิญาในใจของเราเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็ศึกษาดู ถึงสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราจะได้เป็นผู้ที่เรียกว่าสำรวจรละวังมากขึ้นหรือแม้แต่การเดินทางของพวกเราเองก็ดีนะบางทีไปกันเป็นหมู่มากๆจะไปไหนจะทําอะไรที่มันเรียกว่าไม่พร้อมกับหมู่นะก็ต้องบอกกันนะไม่ใช่ว่าคิดจะจะเดินไปคนเดียวนะไม่รอใครนะก็จะไปคนเดียวนะเพราะบางทีทางป่าก็ดี คือทางถนนหนทางก็ดีนะมันมีทางแยกเยอะแยะมากมายบางทีหลงกันหรือไม่รู้ว่าจุดหมายข้างหน้ามันคือที่ตรงไหนหรือบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแผนมีการเปลี่ยนจุดหมายก็ได้นะบางทีถ้าเราไปไม่บอกเพื่อนนะมันก็อยู่ด้วยกันไม่ดีเพราะว่าเรามาด้วยกันเป็นหมู่นะต้องบอกกันนะไม่ใช่ชันอยากจะไปก็จะไปของฉันคนเดียวนี่ไม่ได้ หรือฉันอยากจะไปไกลเพื่อนออก็ไม่ได้เพราะว่าเรามาก็เป็นหมูท่านั้นก็มันก็ไม่เหมือนเรามาเดินทางด้วยกันนะมันก็จะเป็น เ, เราไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอันนั้นก็ต้องไปแบบผู้ที่ไปผู้เดียวเลยนันก็เป็นอิสระอีกแบบหนึง่งหรือแม้แต่เรื่องการเดินการอะไรก็เหมือนกันพยายามเดินอย่างยังมีสติเนาะ คุยกันให้น้อยที่สุดเดินเหมือนเราเดินบินทบาทเดินในที่ไหนๆก็ถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นอะไรเราก็เดินดูกายโดยใจของเราไปเรื่องที่จะไปคุยกันเรื่อง ร, บรอบๆตัวเรื่องอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่กิจที่เราจะต้องทาเจ้าเพราะว่าเราเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อมีสติในการรู้ถึงการเดินถึงการเคลื่อนไหวถึงกายถึงใจที่มันแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ ต, ต้องพูดแบบนี้หมายถึงว่าต้องปิดปากต้องไม่คุยกันไม่ใช่นะแต่ให้เรารู้จับสัมดมระวังให้มากขึ้นเนาะ <S <S เรื่องที่จำเป็นก็คุยกันได้เรื่องที่ไม่จำเป็นอะไรก็กงดกันไวจะในการเดินก็ดีหรือในการพักก็ดีเนาะในการพักก็ดีพักระหว่างทางหรือพักค้าคงคืนก็ดีถ้ามีโอกาสได้ดีที่สุดก็ พยายามปีกอยู่กันไกลๆ ก, กันส่งสิ่งกันให้น้อยที่สุดเนะี่ยเราจะได้มีเวลาในการภาวนามากขึ้นนะแต่บางที่มันอาจจะอ า, อาจจะแคบก็เป็นเรื่องที่จำเป็นถ้าที่ไหนที่มันอพอมีที่ปีกได้ปีกไปอยู่คนเดียวปีกไปภาวนาของตัวเองนะจริงเราก็มีการรวมกันอยู่แล้วในในการทำวัดในการชั้น ในการเดินทางด้วยกันมันก็ได้ใกล้คิดกันอยู่แล้วช่วงไหนที่พอปีกได้ก็ปีกหาที่สงบหาที่ตระยะในการพักและก็ภาวนาของเราอันนี้มันจะเป็นเหมือนกันที่เรียกว่าเหมือนที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านเดินธุดงแต่ก่อนท่านก็เดินทุดงท่านก็เดินรูปเดียวสองรูปสามรูปเป็นอย่างมากนะเดินเป็นหมู่เป็นคณะใหญ่ๆไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ไปกันรูปเดียวสองรูปซึ่ง ไปแบบนั้นมันมันไ ด, มนได้มันได้หลายอย่างนะทาไมครูบาอาจารย์ก่อนท่านชอบไปแบบนั้นเนะพราะไปแล้วมันมันได้ฝึกฝนตัวเองจริงๆนะมันได้อยู่กับตัวเองได้เห็นตัวเองนะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราเดินทุด่ดมแต่ถ้าเราไม่ได้อ่าไปเพื่อเห็นตัวเองดูตัวเองหรือว่าฝึกฝนตัวเองมันก็ยังไม่ใช่การทุด่ดมอย่างที่พูดในวันแรกแว่า เรามาเพื่อขัดเกา่ามาขูดเกา่ากิเลสนะหรือสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจออกไปให้มากที่สุดถ้าเราทำแบบนี้แหละถึงจะเป็นการทุดองนะเราก็ต้องดูเอ า, เอาตามสมควรนะตามสมควรที่เราสามารถกระทำได้นะก็ไม่ใช่ขูดหรือว่าขัดจนะทั่งมันเข็ดนะก็ให้มันเรียกว่าให้มัน ได้รักษาตรงนี้ไว้นะรักษาทุกนี้ไวนะ้ให้มีความสำรวมระวังนะในการ จ, จากรระกระทำอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดความสำรวมระวังเพื่อเกิดความเรียบร้อยงดงามกับตนเองแลก็กับหมู่สงนะกับหมู่ที่เดินทางด้วยกันนี่แหละนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ที่ดีงามเนาะอันนี้ก็พูดพูดให้พวกเราได้พิจารณากันไว้ดูให้ดูตัวเองอะไรที่มัน มันเป็นข้อบกพร่องเป็นข้อที่ต้องปรับปรุงระวังในตัวของเราแล้วก็ปรับปรุงระวังไปอันไหนที่ดีแล้วงดงามแล้วก็ก็รักษากันไปนะเพราะบางทีพวกเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันมาพอสมควรนะแต่บางทีอยู่คนละที่อยู่คนละวัดหรือบางทีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยไม่เท่ากันนะบางทีก็ต้องมาปักให้มัน บางทีมันไม่ใช่ของเรื่องความไม่ใช่ของเรื่องความผิดพลาดหลักแต่บางทีมันเป็นเรื่องเพราะเราไม่รู้นะไม่รู้ก็เลยต้องบอกไว้ น, นี่ก็บอกให้รู้ว่าสิ่งที่พึงจะทำเป็นแบบไหนแต่ผมก็อา จ, จะบอกไม่หมดนะเพต้องศึกษาหรือว่าดูกันกันมากขึ้นไปด้วยเพราะว่าผมเองก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องศึกษาในข้อวัดพระธรรมวินัยอยู่เช่นกันไปที่ไหนก็พยายามศึกษาอยู่ ไอ้ที่ไม่รู้เราก็ต้องศึกษาให้รู้อ่าอันไหนที่อ่าไม่สารวมระวังเราก็ต้องศึกเราก็ต้องสรางสรวมระวังมากขึ้นบางทีจะทําตามความเคยชินตามความที่ใจอยากไม่ได้ก็ต้องมีความสารวมระวังมากขึ้นเนาะก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วก็สํารวมระวังให้มากขึ้นไปการเจริญในพระธรรมวินัยการเจริญในสิ่นในธรรม ของเราก็จ ะ, จะเดินงอกนามขึ้นเนาะในการเดินทางตอนนี้ก็จะเป็นการเดินทางที่ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นการศึกษาแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วก็ศึกษารูปแบบข้อวัดที่ดีทีี่ดงามเพื่อเอามาใช้ต่อใ น, ในชีวิตในชีวิตของเราจะเป็นเมื่อเรากลับไปที่วัดหรือเราไปอยู่ที่ไหนๆเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่า เกิดความเรียบร้อยสำรวมระวังแล้วก็ถูกตามพระธรรมวินัยยิ่งขึ้นไป อ, อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่ดีงามในในสิ่งที่เราได้มาศึกษาตรงนี้เนาะก็ก็ฝากไว้ในชาววันนี้แล้วก็วันต่ตอๆไปแต่